ย่อมมีกำลังมากกับชานโลกีกเพื่อรมทรงตัวนีตอนที่จิตจะก้าวเข้าสูส่พระสกิตาคามีย่อมเป็นของไม่อยากเมื่อเข้าถึงก้าวเข้าสู่เป็นพระสีขาคามีมักในตอนนี้ก็ใช้อสุภกรรมฐานกับกายจกตานุสติกรรมฐานมากขึ้นอาศัยที่ชานเป็นชานโลกุตระเมีการทรงตัว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 บุคคลที่ทรงจิตในด้านชาโลกีไม่มีอะไรดีจริงๆหาความดีที่เที่ยงแท้นแน่นอนไม่ได้แยกคุมอารมณ์ได้ไม่พอใจในรูปเสียงเลี่ยนรดคือครับรับไม่ใช่ไม่พอใจหยุดไว้เฉยๆเหมือนกับเครื่องจักรคนที่กำลังวิ่งอยู่รถที่กำลังวิ่งอยู่แต่อยู่ๆก็ถอดก็เหยียบเบรกกดไว้เฉยๆ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 ี่ไม่ได้พิจรารณาเป็นอาหารเยปริภูณาสัญญามมกจะมีความรู้สึกว่าอาหารนี่มีรสอร่อยอาหารนี่มีสีสวยอาหารนี่มีกลิ่นดีมีความเรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษมีความพอใจถ้าคิดว่าอาหารนีเล็กน้อยหรือละเอียดพอสมควรก็บ้วนออกมาบวนออกมาหลายหลายคราวแล้วกลับบริภค์เข้าไปใหม่ อาตมาคิดว่าหาคนทำได้ยากทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าทุกคนก็จะพาเกอเห็นว่าอาหารนี่มันสกปรกเสียแล้วนี่การพิจารณาเห็นว่าสภาวะสกปรกในกล่างกายของตนมีความสาคัญพเพอเห็นว่าร่างกายของตนเองมีความสกปรกก็พิจารณาเห็นร่างกายของบุคคลอื่นที่เราต้องการมีความสกปรกได้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 จะมีความรู้สึกว่าพระโสดาบันยังปกติในด้านกามารมหรม ร, ราคาจริต <c oughs> ในร้านความรักสวยรักงามยังไม่ถอนตัวแต่ถ้ว่าไม่เผลอไม่ละเมิดศีลในด้านการมาสีสมาชิาจานเท่านั้นมาถึงพระสีธาคามีท่านบอกว่าทำโลภความโลภทำโทสะความโกรธ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 ทรงเคารพในระเบียบวินัยเป็นอย่างมากไม่ทำลายระเบียบวินัยนนี้ว่ากันถึงด้านความหลงพระอนาคามีก็ทำจิตให้มั่นคงในเรียกว่ากายสกายยะตานุสติสกายยติพิทเจริญในเมรายกายนี้นอกจากจะตายแล้วมันมีสภาพไม่เที่ยงอยู่ก็มีความรู้สึกเล็กน้อย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 ดันั้นการที่พระหมหาพุททรงติงมาจึงจัดว่าเป็นประโยชน์ใหญ่นีเก้าต่อไปคึงบุคคลที่จะทําลายราคาจริตได้ในในขาดอันนี้องค์สมเด็จพระบระมโล ก, กน่ายกล่าวถึงพระอนาคามีสําหรับพระอนาคามีนี้ตัดได้ขาดแน่แต่ว่าถ้าพระหมหาพุทจะสงสัย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 คนประเภทนี้เป็นคนที่มีความใจร้ายคือมีความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติโหดร้ายได้กนะสินข้อที่หนึ่งทำลายสินข้อปานามือไวได้แก่การลักการขโมยแย่งชิงวิ่งราวเป็นต้นคดรโกงเขาใจเร็วก็หมายถึงว่าระมิดในกา ม, มารมณ์ใ ไ, ได้านกาเ ม, มสุเมชาจานพูดป ด, ดเป็นปกติ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 ล้ามีกำลังใจในด้านพ ม, มีหันสีสูงขึ้นละเอียดขึ้นจนเป็นอภนัพยาธิเพราะว่าโกรธจะให้อภัยได้เป็นของมันเป็นของหนักไม่ใช่ง่ายนักและความหลงคลายตัวคิดถึงความตายทีเข้ามาอารมณ์ที่จสงได้อย่างนี้นั่นก็ต้องแสดงว่ามีความเข้มข้นของจิตมากไม่ใช่เล็กน้อยมีความเข้มข้นจัด